เราเรียนเรียนไปแล้วเราก็คิดว่าเรานี่เข้าใจบ้างเนี่ยนะเข้าใจพอสมควรโดยเฉพาะพูดถึงว่าขันห้าเนี่ย<ม>ถ้าเราเรียนมาป่านี้แล้วเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราบอกเออเรายังเข้าใจผิดอยู่มันเรามทอ้อใจกันนะความจริงขันห้าเนี่ยเราพูดที่ไรนะเราบอกเออทําปริญญาอะไรนะทุกศาสตร์ทุกศาสตร์คืออะไรคืออุปาทา น, นขันห้าเราพูดจนคล่องใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราเออไอขันห้าที่มันลงไปลึกถึงนี้นะนอกจากจะมันเกิดมาจาก อุปาทานในอดีตเป็นอารมณ์ก็ดได้นะฮะอันที่จริงเนี่ยนะครับมันเป็นไอ้สองอย่างท้ายเนี่ยไอ้ตัวไอ้ไอ้อันแรกนี่แทบไม่ได้ไม่ได้เอามาทำปริญญาเลยเลยแม่คือตรงๆนะว่ามาติกาเราไม่เคยเอามาตึกเห็นไหมคือเพราะว่าพระสวดให้ฟังอย่างเดียวอย่างเช่นโดยกุศลอกุศลนี่ยแง่นี่เราก็ขันห้านั่นแหละใช่ไหมมาคิดโดยกุศลอกุศลอัพยากตะเรามาคิด ขันที่เกิดร่วมกับสุขเวทนาทุกเวทนาทุก ข, ขมสุขเวทนาเราก็เอามาคิดพออุปาทินนุปาทานิยาธรร ม, มาเราก็ชักมาค่อยคิดแล้วนะอ่านะมาติกาหลังๆมานี่ชักมาค่อยได้คิดแล้วจริงๆอ่านะธรรมะพระองค์แสดงไม่หมดแล้วลนะ่ะแต่ทีนี้เพียงแต่ว่าหัวข้อมาติกาเนี่ยแต่ในห้องเราก็มีนะีจบชั้นสูงๆกับหลายท่านอ่านะก็ผ่านการตรกมาติกามาบ้างแล้วพอสมควร ในโลกของคำพี่นะแต่ว่าเอามาใช้ในชีวิตที่เป็นจริงอ่ะนะนั้นถ้าตั้งคำถามว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรก็บอกว่าคุณเอามาติกา22หรือติกะมาติกาหรือทุกกะมาติกาเนี่ยมาใช้ในชีวิตที่เป็นจริงให้ได้นั่นแหละก็พอแล้วทั้งติกะมาติกาทุกกะมาติกาเนี่ยเนเอามาใช้ในชีวิตที่เป็นจริงแต่ถ้ามาติกาเหล่านี้ไม่แม่นปัจจัย24จะห่างลงไปอีก น, นะถ้าถ้าเราไม่สามารถประยุกต์มาติกาลงมาในชีวิตได้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งนีนะนั่งสวดงานศพอยู่กุศลธรรมมากุศลธรรมมาเอเราก็สวดก็นึกถึงแต่คําไปเรื่อยๆทําไมเราไม่มานึกดูไอ้ที่กําลังสวดอยู่เนี่ยเป็นตรงไหนเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลส่วนไหนเป็นอัพยกรตะส่วนไหนเป็นอ่าสัมปยุติกับสุขส่วนไหนสัมปยุติกับทุก อะไรสัมปยุตกับอุเบกขายังก็สวดไปตรึกไปนะก็ดีันตอนที่งานคุณแม่คุณนภาก็ตรึกอยกันสวดไปก็ตรึกไปนะว่างๆก็แทนที่จะท้อมสวดคล่องอยู่แล้วใช่ไหมผ่านมาไม่รู้กี่ศพแล้วก็ไม่รู้มันถ้าสวดไปด้วยตรึกไปด้วยก็ดีเยี่ยมมันนะ พันการการที่เราทรงจําได้แล้วก็หมันละลึกถึงถ้าทำมาหน้านั้นๆบ่อยๆบ่อยๆขึ้นก็จะเป็นอารมณนะปัจจัยแห่งการเพ่งและพิจารณาเนี่นะการพิจารณานั่นแหละถือว่าเป็นตัวสําคัญที่สุดนีนะที่ที่จะเกื้อกูลต่อสัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิความเข้าใจไม่พอก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงอีกเห้ืนกันใช่ไหมมันทําไม่ได้อยู่แล้วในสิ่งที่ตัวเราไม่เข้าใจเราทําไม่ได้อยู่แล้ว าการปฏิบัติธรรมนั้นถือเอาความเข้าใจเป็นเป็นหลักนี่ยอย่างเราพูดถึงคำว่าขันห้าเราเข้าใจขันห้าว่ามันเป็นยังไงไอง้ตรงนี้แหละที่เรียกว่าจะต้องทรงจำอัดของอุปาทานขันห้าทีนี้เมื่อเมื่อเราทรงจำอัดของขันห้าเช่นว่ า, เ, าเกิดจากหนึ่งเกิดจากอุปาทานสองเป็นอารมณ์ของอุปาทานสามเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วนะอุปาทานขันห้าเหล่านั้นก็ปีละนัโถเบียดเบียนสันตาป น, า ổ, รารนัโถเล่าร้อนสังคตัดโถ ổ, ทุกอันถูกปัจจัยปรุงแต่งหมดเลยวิปริณามะโถ ổ, ทุกอันไม่เที่ยงเหมือนกันหมดน่ยนะนก็จะเริ่มไปคิดเรื่องอื่นๆต่อไปได้นะโดยในยะต่างๆคือในง่ายปฏิบัติแล้วนี่นะฮะสมมติาเราจะเอาสมมติเอารูปขันเนี่ยนะฮะมาทญญานี่นะฮะ เวลานี้เนี่ยก็คือรูปปั้นตัวเองหนึ่งละนะฮะ<ม>ถ้าเกิดตัวเองไม่เห็นก็มีรูปปั้นผู้อื่นข้างนอกนี่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เข้ามาได้แล้วในเรื่องของออของอารมณ์โดยโดยเป็นอารมณ์ถูกไหมโ ด, โดยอารมณ์ของอุปาทานอันนี้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วโดยมากก็เป็นอารมณ์มใช่ไหมฮะคือเป็นอารมณ์ให้เราเนี่ยเอามาทําปริญญาเพื่อที่จะละคลายไอ้ตัวอุปาทานตัวนั้นนั่นแหละถูกไหมครับ คือขันห้าเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเมื่อกล่าวโดยตรงอ่ะนะถ้าจะมองโดยสิ้นเชิงเนี่ยถ้าไม่มองโดยสัจจะเนี่ยยังไงก็มองมองมองเรื่องขันไม่ถ้ามองมองตัวขันแล้วไม่ทะลุถึงนิพพานนะยังไงก็ไม่ชื่อว่ารู้จริงเรื่องขัน น, นะว่าตรงๆเลยนะเรียนยังไงก็เรียนไม่จบนี่ถ้าเรามาคิดดูว่าหนึ่งขันเกิดจาก อุปาทานถ้าเราลองมานึกดูนะสมมติถ้าเช่นโลกทวารตาของเราเนี่ยตัวไหนบ้งเกิดจากอุปาทานก็ลองมาแยกดูเช่นตาของเราเ่<ช>เกิดจากอุปาทาน<ช>สีของทุกคนเนี่ยที่เป็นกรรมม่ชัรูปเกิดจากอุปาทานสีที่เป็นกรรมมชรูปนะทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอุปาทานอันนี้ข้อที่หนึ่งสองเป็นอารมณ์ อารมณ์หรือแหล่งโคจรของอกปาทานเช่นในโลกทวารตาไอตัวไหนมั่งชอบไม่ได้อะไรมั่งไม่เป็นอารมณ์ของการชอบใจหรือเข้าใจผิดเป็นได้ไหมเป็นอารมณ์ของเข้าใจผิดก็ได้ใช่ไหมเช่นเข้าใจผิดว่าเห็นเป็นโดยเนี่ยเห็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นต้นเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเงี้ยไง พันพวกนี้มันก็เป็นอารมณ์พวกนี้ที่เห็นเนี่ก็เป็นอารมณ์ของมิจฉาทิฐิก็ได้แล้วก็สามเป็นปัจจัยแก่ตันหากับทิฐิเช่นตอนนี้ถ้าเป็นกุศลกันอยู่ใช่ไหมขณะนี้เป็นกุศลกันอยู่หลังจากนั้นไปเป็นอารมณ์ของเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้ไหมในตอนหลัง หลังจากในสมมติว่าขณะนี้เราเราเช่นทวารตาเป็นต้นชวนะก็เป็นกุศลเป็นการอ่านพระธรรมตรึกพระธรรมพิจารณาพระธรรมเนี่ยนะในขณะนั้นอากุศลไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดแต่คิดหรือว่าหลังจากนี้อุปาทานจะไม่อาศัยสิ่งนี้เกิดหรือสิ่งนี้ไม่เป็นปัจจัยแก่อุปาทานเพราะฉะนั้นก็เป็นได้อยู่แล้วก็ในแง่ที่ในประเด็นที่3เพราะฉะนั้นทุกอย่างถ้ามามองในแง่นี้ก็จะเห็นชัด ก็อันที่3ามนี่แหละเป็นตลอดเวลาเกือบตลอดเวลาเว้นกุศลจิตกุศลก็เป็นตัดใ จ, จนะเช่นมานะเกิดที่ไหนเกิร่วมกับตันหากุศลเนี่ยเป็นตัดใ จ, จยอย่างดีของมานะเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกุศลก็ยังเป็นตัดใ จ, จแก่ตันหาอยู่ดีทั้งตัวที่ไม่เป็นตัดใ จ, จแก่ตันหาเนี่ยนะจนกว่าว่าอันเนี้ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา วิปัสนาเนี่ยมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้จนบริบูรณ์เนี่ยนะเพราะวิปัสนาอย่างไรตัววิปัสนาเนี่ยนะวิปัสนาที่เป็นโลกิยะมีอุปาทานขันเป็นอารมณ์ก็วิปัสนาตัวนี้เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคซึ่งมีอสังขตะเป็นอารมณ์เนี่ยนะ เป็นอาสังคตะเป็นอารมณ์เมื่อมีเนี่ยหลุดมาถึงอย่างนี้แล้วจึงไม่เป็นแดนโคโจรแห่ ง, งแห่งอุปาทานแต่ถ้ายังเป็นอยู่เนี่ยนะฝ่ายโลกิยธรรมเนี่ยนะล่างจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคือล่างจากโลกุตระไปแล้วเนี่ยนะเป็นดินแดนโคโจรแห่งอกุศลทั้งนั้นไม่อันใดอันหนึ่งก็เรียกว่าเอาจนได้นั่นแหละัน นันก็ต้องมามองในแง่มัคสีเนี่ยนะในแง่อริยศาสตร์สใช่ไหมว่าอุปาทานคันคือทุกขสัจถ้าเอาอุปาทานขันเป็นอารมณ์ของปัญญาพิจารณาอันนั้นเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาที่เจริญเนี่ยเป็นตัจใจแกอริยมรรคอริยมรรคเนี่ยคือตัวที่หลีกออกจากหลีกออกจากอะไรหลีกออกจากอุปาทานคัน ถึงขณะนั้นจึงจะหลีกออกจากอุปาทานอาคารได้ถ้ายังไม่แทงตลอดพระนิพพานยังไงก็หลีกออกจากอุปาทานาขาคารไม่ได้เพราะนนั้เวลาเจริญวิปัสนาเนี่ยนะตัววิปัสนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดที่เรียกว่าวิปัสโนปกิเลสอีกครั้งหนึ่งเพราะวิปัสโนปกิเลสนั้นก็คือมีวิปัสสนานี่ยแหละเข้าใจว่าวิปัสนาเป็นมรรคผลนั้นโดยที่สุดวิปัสนาก็ยังเป็นอารมณ์ของอุปาทานอีกอยู่ดีเห็นไหม พัอานุปัสสนาจริงต้องตามเห็นปัญญาไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันนะตั้งแต่พังขยานเป็นต้นไปเนี่ยตามเห็นวิปัสสนาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วผู้การจะรู้เรื่องขันจริงๆก็อาจหัด ต, ตมักเกิดนั่นแหละเชื่อว่าได้ทําปริญญาในขันห้าเสร็จแล้วยำก็ก็อย่าเพิ่งจบกันแล้วกันเนี่ยนะ แต่ว่าเราเนี่ยอไอ้ปัญญาในในขั้นขั้นขั้นโยนิโสเนี่ยเราน้อยมากเพราะฉะนั้นเราไอ้การฟังเนี่ยมันก็เข้าใจช่วขนาดนั้นน่ะหรือชั่วที่จําได้จําไม่หมดก็ก็ก็บกพร่องแล้วก็เรียกว่าอะไรนะผู้ที่ฟังกับไม่ได้ฟังก็น้อยเลยใช่ผู้ฟังมันนับว่าน้อยเลยฟังแล้วจําได้ก็น้อย จำได้แล้วเอาไปตรึกตามอีกก็น้อยตรึกตามแล้วจะได้ปฏิบัติบรรลุจริงๆกว่าน้อยนะ ก, ก็คัดๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยถ้าเทียบแบบธรรมดาทรื่อๆไปก็เหมือนกันเนี่ยเออดีแล้วที่ได้ฟังมั่งก็ยังดีออถ้าฟังเออจำได้ก็ดีกว่าฟังเฉยๆโอนี่ถ้าเอาไปตรึกเอาไปเพ่งไปพิจารณานะี่ยดีกว่าจำไปเฉยๆอีกนะ น, นี่นะถ้าพิจารณาแล้วปฏิบัติตให้จนบรรลุมรรคผลดีกว่านั้นอีกก็จะอย่างนี้แหละ นี่มาดูว่าตัณหาหรือขอสมุทัยศัตร์เนี่ยนะจะแบ่งเป็น5ก็ได้นะเรียกว่าโครจรไปในอารมณ์5โครจรไปในรูปโครจรไปในเสียงในกลิ่นในรสในโพราภะพันสมุทัยจะเรียกว่า5ก็ได้เพราะโครจรไปในปัญจารมนี่นก็เลยเรียกว่าสมุทัยห ส่วนพระนิพานเนี่ยนะจะเรียกว่าห้าก็ได้โดยนิยะว่าสงบจากตัตหาในอารมณ์ห้าก็พิจารณารูปแล้วบรรลุอริยมรรคเลยได้ไหมนั่นแหละอริยมรรคที่แทงตลอดอสังขตะธาตุอันนั้นแหละเป็นตัวที่สงบจากรูปปตัตนหาคือพิจารณารูปจนบรรลุพระนิพานได้นะอันนั้นแหละจึงจะสงบรูปปตัตนหาเป็นต้นเนยนะทะวารอื่นๆก็นิย่าเดียวกัน แต่มรกนี้โดยปริยายห้าท่านไม่แสดงเอาไว้นะั่นนะแต่ก็จะได้ก็นัยอื่นๆเช่นอินรีห้าพระห้านะอย่างนั้นก็พอได้แต่ว่ามรคมีองค์ห้าที่เป็นโลกุตระไม่มีไม่มีมรคองค์ห้าที่เป็นโลกุตระเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าไม่มีวีรตีเข้าด้วยจะเรียกว่าโลกุตระมรคไหมไม่ได้นี่นะเพราะฉะนั้นห้าไม่ได้ นี่ต่อไปหกอย่างทุกขศัพท์จะเรียกหกอย่างก็ได้คือภาษายตนาหกหมายคือว่าบ่อเกิดแห่งภาษาหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นบ่อเกิดแห่งภาษะชอบในโคลปารกาสูตรอุปมายตนาภายในหกเหมือนเหมือนอะไรนะคุณผู้ชมอายตนาภายในหกนี่อุปมาเหมือนอะไรนะก็เหมือนกับ แผลนั่นนะรู้จักปิดแผลเหมงอนันนะแต่เพราะแผลเนี่ยทั่วไปมันเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดใช่ไหมถ้าเป็นแผลข้างนอกอะนะที่เราคุ้นเคยกันนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นแผลให้เกิดให้เกิดการกระทบอ่ะนะผลของการกระทบก็คือเวทนาเนี่ยนะมันตาเป็นบ่อกเกิดแห่งจักขู่สัมผัสหูเป็นบ่อกเกิดแห่ง โสตสัมผัสจมูกเป็นบอ่อเกิดแห่งคาน้าสัมผัสลิ้นเป็นบอ่อเกิดแห่งชิวหาสัมผัสกายเป็นบอ่อเกิดแห่งกายะสัมผัสใจเป็นบอ่อเกิดแห่งมโนสัมผัสภาษาเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดของเวทนาเวทนาเพราะฉะนั้นผลที่ปรากฏของการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดูไดจากเวทนาก็ไดแต่เวทนาก็มาจาก ภา ษ, ภาษก็มาจากไหนล่ะก็มาจากตาหูจมกูกลิ้นกายใจนะฮะตาหูจมกูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเป็นทุกขสัตว์ถ้าจะแบ่งโดยปริยายโดย6เนี่ยนะนะอันที่จริงนะพูดถึงว่าถ้าจะเข้าใจถึงเรื่องชีวิตจริงๆเนี่ยนะฮะตัวภัษาัาษายานะหเนี่ยเป็นตัวแสดงชีวิตที่ดีที่สุด นะในบรรดาขันท่าอาหารสี่อะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> นามู้ <c oughs> เพราะว่าแสดงขณะของชีวิตเนี่ย <c oughs> ถ้าเราเข้าใจขณะของชีวิตได้เนี่ยเราต้องเข้าใจตลอดชีวิตตลอดตั้งแต่ต้นถึงถึงมรณะเลยนะถ้าเราเข้าเข้าใจขณะหนึ่งก็ไม่แปลกใจแล้วที่ชอบอ่านสลายสลายัตนาวัคถูกไหมครับคือในในส่วนตรงนี้นะธรรมะเนี่ยจะรู้อันใดอันหนึ่งก็ ก็เชื่อว่ารู้ทั้งหมดน่นนะขอให้รู้จริงอันหนึ่งนะแต่ว่าประตูที่จะรู้จริงในเรื่องหนึ่งนี่แตกต่างกันอันนั้นจะยกตัวอย่างว่าหนึ่งอะไรนะธรรมะหนึ่งคืออะไรนะธรรมะหนึ่ก็อาหาราสเพสตาหารติติกาจำง่ายว่าอาหารทีก่กันธรรมะสองคือนามรูปนามรูปธรรมะสามคือเวทนาวทนาสามสี่ก็คืออาหารอาหารสี่ห้าคื อ, อา ขันห้าหคือาภาษายตนาหกเนี่ยนะนะภาษายตนาหกหกก็คืออะไรก็คือตาตาเนี่เรียกว่าเป็นภาษายตนาเนี่ยนะตาคือภาษายตนะเพราะเป็นที่ตั้งแห่งเป็นบอ่อเกิดของภาษะผลของการที่มีตาเนี่ยดูได้จากอะไรดูได้จากเวทนาสาม ทีนี้ในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยถ้าขันห้าไม่ประชุมกันนะการเห็นจะมีได้ไห ม, มไถ้าไม่มีตาไม่มีสีไม่มีจักรคูวิญญาณไม่มีแสงสว่างไม่มีภาษะเป็นต้นเนี่ยนะการเห็นก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือขณะที่ขันห้าประชุมกันทีนี้ขันห้าประชุมกันเนี่ยนะถามว่าขาดกับพลิงกระหานได้ไหมตาเนี่ยเช่นตัวตาจริงๆเนี่ยขาดกับพลิงกระหานได้ไหม ไม่ได้การที่ตากระทบขณะที่กระทบนั่นแหละเป็นภาษาหารเจตนาที่เกิดร่วมกับการกระทบเป็นมโนสันเจตนาหารตัวจักรคูวิ ญ, ญญาณเป็นญญวิญญาณอาหารเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าย่อมาก็คือนามรูปนับหนึ่งเลยก็คือทั้งหมดเกิดจากปัจจัยทุกอันทุกอย่างเกิดจากปัจจัยหมดเลย ทุกอย่างดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเพราะคำว่าอาหารตัวนี้เป็นไวโพธของปัจจัยทุกสิ่งเนี่ยดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าตัวเลขไหนสวยก็เอาไปแต่ว่าถ้าจะกล่าวไปอีกว่าพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้ามาแบ่งว่าเป็นกลุ่มที่ปฏิสนธิแบบไหนอ่ะ น, นะปฏิสนธิรูปกับปฏิสนธินามเป็นอย่างไรก็มาแบ่งกันต่อก็จะเป็นอะไร เป็นวิญญาณทิติใช่ไหมปฏิสนธิรูปกับปฏิสนธินามก็เป็นเรียกว่ากลุ่มวิญญาณทิติทีนี้วิญญาณทิติเหล่านี้เนี่ยนะถามว่าเมื่อรูปแบบนี้นามแบบนี้ยังไงก็ต้องเป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรมละถ้าเกิดมาเป็นคนที่รูปสมบัติโลกธรรมฝ่ายดีเปอร์เซ็นต์โลกธรรมฝ่ายดีมีมากกว่าคนอื่นนะแต่ถ้ารูปสมบัตินะเกิดผิดกาลอีก โลกธรรมฝ่ายร้ายเนี่ยรับมากกับเพื่อนเลยนะก็ปฏิสนธินามเนี่ยถ้าปฏิสนธินามที่มีคุณภาพเช่นติเหตุกะปฏิสนธิเนี่ยนะโลกธรรมฝ่ายดีก็มากถ้าปฏิสนธิแบบอาเหตุกะโลกธรรมฝ่ายไม่ดีก็ก็รับมากเพราะฉะนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับนะหมวดเจ็ดคืออะไรนะวิ ญ, ญญาณท่ติเจ็ดพวกนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่ง โลกธรรมแปดตัวไหนตัวโลกธรรมเพราะยังไงมันก็พวกนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งโลกธรรมอยู่แล้ว น, นะถ้าไม่ไม่เอาโลกธรรมมาคิดนะเท่ากับอ่อนอะไรรู้ไหมถ้าเราไม่มองพยายามมองโดยโลกธรรมคือไม่มองในความเป็นทุกขสัพ์กับสมุทัยสัตว์ โลกธรรมฝ่ายดีคือทุกคือสมุทัยสัตว์พระอาศรทะโลกธรรมฝ่ายไม่ดีคือทุกขสัตว์อาทีนะ ว, ว, วะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ค่อยคิดโลกธรรมคือไม่ค่อยคิดทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์นั้นก็มรรคสัตว์ก็เท่ากับอ่อนด้วยเหมือนกันนะได้ <laughs> สอบไปสอบมาเนี่ย <laughs> <laughs> คือเรารู้ว่าอนุภาพของการเอาไปเป็ดคำว่าปริญญานะมาจากคําว่ารู้รอบหรือรอบรู้เนี่ยนะก็ก็ตามสมควรแก่ฐานะเงี้ยนะตามสมควรแก่ความเพียรอ่ะนะตามสมควรแก่โยคะว่าถ้าโยคะมากก็ไปโยคะมากก็รอบมากประโยคะน้อยก็รอบน้อยเคยไปทำํำไปตึกไปเพ่งเรื่องอาหารเนี่ยก็เห็นนะฮะ ก็เห็นว่าเออนี่ก็คือโลกนั่นแหละคือขนาน่านั่นแหละเพราะจริงๆแล้วนะเร า, า, าจะหยิบโลกธรรมนินยังไงยังไงมันอ้อมมากอะครับคือถ้าหยิบมาคิดนะมันมันจะมันจะไปหากันหมดเลยนะมันจะถึงกันหมดนะนะก็ไม่รู้อ้อมหรือตรงกันไม่รู้นะแต่ขอมามองว่าไม่ค่อยอ้อมหนอกมันตรงตรงเลยแนะหละสมมติถปฏิสนธิมาเป็นอาเหตุกกะเนี่ยนะโลกธรรมเขาควรเป็นยังไงคือมองชีวิตมองออกเลยใช่ไหย เกิดมามันเช่นอุปธิวิบัติเนี่ยนะรู้เลยว่าโลกธรรมข้างหน้าต่อไปควรจะเป็นอะไรถ้าอุปธิสมบัติอย่าง้นะหรือว่าประโยควิบัติกับประโยคคสมบัตินั้นประโยคคส่วนหนึ่งมันเป็นผลของเกี่ยวกับเรื่องปฏิสนธิแต่ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยการพิจารณาไม่ใช่หยุดเฉพาะแค่อารมณปัจจัยมันจึงสาวไปหาพวกอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้นเนีนะ พันหลักการการพิจารณาธรรมะเนี่ยตามอย่างหาระเนี่ยท่านคิดถึงด้วยหาระสิประการเพราะฉะนั้นถ้าเห็นธรรมะอย่างหนึ่งนะต้องไปหาประทับฐานเช่นหาประทับฐานของสิ่งนั้นเรียกว่าเหตุใกล้ในขณะเดียวกันเนี่ยการพิจารณาประทับฐานนีนมีอยู่เรียกว่าโอรุหารุหะอารยหารุหะ ห, า ห, าหามายว่ามองขึ้นกับมองลงนะเช่นสาวไปหาว่าเช่นนามรูปมีอะไรเป็นเหตุใกล้นะ เช่นวิญญาณเป็นเหตุใกล้แล้ววิญญาณมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสังขารเป็นเหตุใกล้แล้วสังขารมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอวิชชาอวิชชามีอะไรเป็นเหตุใกล้มีวิปลาสีวิปลาสีมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็ไล่ไปอย่างนี้ไล่ลงไปเรื่อยก็เรียกว่าลงอะนะขาลงพิจารณาลงพิจารณาขึ้นอะแล้วนามรูปเป็นเหตุใกล้ของอะไรเป็นเหตุใกล้ของสลายตนะสลายตนะเป็นเหตุใกล้ของอะไรของภาษะภาษาเป็นเหตุใกล้ของอะไรนะ เสร็จแล้วก็ยังมีอวตะ์ประมองแบบตรงกันข้ามอีถ้าสิ่งที่ตรงกันข้ามของนามรูปคืออะไรนไก็ไม่ใช่นามรูปใช่ไหมถ้านามรูปเกิดก็สิ่งที่มันตรงข้ามกับเกิดก็คือดับถ้านามรูปจะดับเพราะอะไรดับก็สาวไปหาถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับแล้ววิญญาณจะดับเพราะอะไรดับก็สังขารดับทีนี้ถ้าพิจารณาขึ้นไปอีกว่าถ้านามรูปดับอะไรอย่างอื่นอีกดับ ก็พิจารณาเรียกว่าพลิกกลับมาอย่างงี้เองเรียกว่าอาวตตหาระน์นก็ถ้าถ้าเรียนเรียนหลักหลักของพยัญชนะมาจริงๆเข้ามองรอบแบบนี้อยู่แล้วเพราะอย่างพระมหากาจัจรยนะท่านฟังพุทธพจน์หนึ่งคำแบบท่านมองรอบท่านจึงอธิบายได้ฟังพุทธพจน์แล้วอธิบายได้ว่าพระ อ, องค์ประสงค์อะไรแต่ถ้ามองไม่รอบเลยก็ต้องรอในก่อนนะพระ อ, องค์ประสงค์อะไรเนา สมูทัยเนี่ยนะจะแบ่งออกเป็นหกก็ได้คือโดยประเภทแห่งกองตันหาหกกองมาจากคำว่ากายนะตันหากายะหกกายหกก็ทางตานี่นะรูปประตันหานี่มันไม่ได้เกิดเฉพาะชอบสีเดียวใช่ไหมมันชอบบานเบิดเลยเรียกว่าเป็นกองเห น, นนะรูปประตันหาก็เป็นกองชอบเสียงก็โหเป็นกองนะนะมันชอบทุกเสียงางนะ อย่างฟังเพลงมันไม่ได้ยินแค่คำเดียวเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคำเนี่ย น, นะดนตรีก็กี่เสียงตัวแม่เสียงใหญ่ๆก็มีทเท่าไหร่เจ็ดหรือแปดมาไปจำมาจากไห น, นแปดแปดมันซกันอืม โดสกับโดต่ำเนี่ยนะอ๋อก็ดเหมือนกันเลก็คือพวกอย่างเนี้ยนะแต่ถ้าสลับกันไปสลับกันมาแล้วเสียงมีกี่ชนิดเนี่ยนะก็ไม่มีที่จบสิ้นอ่ะนะปัญหาที่ไปชอบเสียงแม้กระทั่งสลับก็อย่างว่านะฟังเสียงกบเขียดมันร้องยังเป็นฟังเป็นดนตรีเลยนะก็แสดงว่ามันเกิดเป็นกองเป็นกองจริงๆไม่รู้กี่กองต่อกี่กองเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นก็เหมือนกันนะ กลิ่นเนี่ยสมมติถ้าแกงนั่นหนึ่งอย่างมันมีแต่กลิ่นอยู่อย่างเดียวเลยนะถามว่าพอใจไหมถ้าเป็นกับข้าวนะถ้ามีกลิ่นอยู่อันเดียวเท่านั้นแหละก็ไม่เป็นที่พอใจเลยนะกับข้าวแช่ฟังเสียงน้ำหยดใส่ถุ ง, ง, งนอนฟังสบาย <c oughs> ใช่มีบางคนฟังเสียงแบบนั้นแล้วรําคาญที่สุดอีกเหมือนกันราคาญมากเลยมันทําไมมันหยดอยู่แค่นั้นนะต้องเตะต้อง ไปปิดก่อนหรือไปให้มันเลิกหยดก่อนนะจิงจะนอนหลับไม่งั้นเนี่ยรำคาญมากเลยนะนี่รู้จักมากับบางท่านเนี่ยนะเป็นอย่างงั้นเนี่ยต้องไปเอาออกก่อนนะคันจึงจะนอนหลับอ่าบางอย่างก็คันถ้าตันหาก็ชอบเปลนก็ถ้าชอบเป็นกองราศาตันหานะอาหารถ้าได้รับแต่รสอย่างเดียวเลยก็ไม่เอาใช่ไหมต้องหลายๆรสหน่อยโพธาภะก็ต้องจริงๆนะโพธาภะมาจากปฐวีบ้างใช่ไหม โพธาภะประเภทปัทวีโพธาภารมเตโชโพธาภารมวายโพธาภารมมันจะเอาอันใดอันหนึ่งก็ไม่เอาต้องได้ทั้งสามอย่างให้พอดีพอดีกันเช่นที่นั่งก็ต้องนุ่มๆก่อนนะตารบอะไรปัทวีโพธาภารมอากาศต้องไม่ร้อนนะเป็นอะไรเตโชโพธาภารมถ้าได้นั่งกระดิกบ้างอะไรบ้างนี่ก็มีความสุขไปอีกอย่างอันนี้เป็นวายโพธาภารมนะอย่างน้อยกระดกขยิกขาก็ยังดี นั่นโพธพารม์เนี่ยเรียกว่าโพธะพระตัณหาตัณ ห, หาเป็นกองกงเลยนะที่ไปชอบโพธพารม์ธรรมะตัณหาก็คิดไม่รู้กี่เรื่องต่กี่เรื่องแล้นะเพราะงั้นก็เป็นธรรมะตัณหาส่วนพระนิพพานหรือนิโรธสัจจะจะแบ่งเป็น6ก็คือสงบตัณหาหกนะก็สงบตัณหากายะ6สงบตัณหา ทั้งที่เป็นรูปปตัตญหาสาธาตตนหาคันธารสะโพทะพะและธรรมตัญหานะอันโดยการแบ่งประเภทสัจจะเนี่ยนะแบ่งเป็น 1, เป็น2เป็น3มเป็น4เป็น5เป็น6กก็คงจบด้วยประการอย่างนี้แต่ก็เอาไปฝึกคิดดูนะจะได้เข้าใจอริยสัจพิจารณาอริยสัจโดยแง่มุมต่างๆการคข้ครวญอย่างนี้เนี่ยท่านถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อ ปฏิสัมพิธาเพราะว่าการจําแนกประเภทการคิดอะไรโดยประเภทโดยการแยกแยะนะเป็นปัจจัยที่สําคัญของอัตถธรรมนิรุตถ้าเอามาพูดบ่อยๆก็เป็นนะถ้ามาจําแนกแยกแยะโดยเหตุผลเป็นทำอัตถกับธรรมะปฏิสัมพิธาถ้าเอามาแสดงเอามาพูดบ่อยๆก็เป็นเหตุที่สําคัญของนิรุตติปฏิสัมพิธาเนี่ยนะความที่คล่องแคเล่วเชี่ยวชาญในสามประการเนี่ยนะโดยไม่ติดขัดก็เป็น ปฏิพาณปฏิสัมพิทามันอริยศาส์นั้นไปถือว่าเป็นเหตุใกล้ที่สําคัญที่สุดของปฏิสัมพิทาเหนไอันถ้าอยากได้ปฏิสัมพิทานะถ้าขอเยอะๆปฏิสัมพิทาสีอภิน ญ, ญา6วิโมกข์แปดกออริยศาสตร์มาคิดเยอะๆนะจะได้ไม่ผิดหวังนี่ก็หมดเวลาแล้วนะ